เจ้าเคยจัดนะเคยเป็นทำนองโต้แยง้งหรือว่าทวงติ่งนะเทวดาเทวดาบอกว่ามีสุขนะผู้มีบุตรเนี่ยก็มีความสุขนะมีโคมีกระบือกก็มีความสุขสุขเพราะบุตรสุขเพราะโค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 มีลาบนะก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศนะความเป็นก็เหมือนกันนะเป็นอะไรเนี่ยแม้ว่าจะได้เป็นซ e o เป็นผู้จัดการนะเป็นเศรษฐีนะอันนี้พูดเฉพาะเป็นในสิ่งที่ดีนะ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 ก็คงระดับนะเชียงใหม่โคราชนะขอนแก่นก็มีความสูงนะแต่พอเกษตรเนี่ยก็ง่อยเลยเพราะว่าเคยมีคนมาห้อมล้อมมากมายแต่ว่าตอนนี้เป็นประชาชนเต็มขั้นแล้วก็อยู่แบบ ง, ง่อยๆนะวันหนึ่งก็ได้จดหมายเชิญ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 เหมือนกับว่าอกหักเลยผิดหวังอย่างแรงหลังจนากนั้นไม่นานแกก็เสียชีวิตนะเพราะว่าเหมือนกับว่าตรอมใจก็ได้อันนี้เรียกว่าทนะุกข์เพราะความเป็นนะเมื่อสิ่งที่เป็นนั้นมันหมดไปหายไปนะก็ถ้าทำใจไม่ได้ก็ทุกข์มากนะแริวมก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะ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 อันนี้ก็ทุกนะเพราะความเป็นเป็นนี่ไม่ใช่ว่าหมายถึงเป็นผู้จัดการเป็นซ e o เป็นอธิการบดีนะเป็นประหลัดกระทรวงเท่านั้นนะแม้แต่เป็นแบบที่เราธรรมดาๆเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นด็อกเตอร์เป็นบัณฑิตนะหรือแม้แต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็ทุกได้เหมือนกันนะทุกในรหว่างที่เป็นนั่นแหละนะ เช่นเป็นนักปฏิบัติธรรมนะก็จะทุกอีกแบบหนึ่งนะเช่นเวลามีความโกรธนะก็เสียใจว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนะทาไมเราถึงโกรธนะหรือไม่ก็มีอาการยกตนข่มท่านนะเวลาเห็นใครที่ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมก็มองว่าเป็นคนละพวกนะหรือมองเหยียดว่าเขาไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมนะ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 นะลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็โกรธนะแม้แต่ลูกบางทีแค่เถียงหรือว่าแย้งเนี่ย mm. ก็จะโกรัว่าเนี่ยฉันเป็นพ่อนะฉันเป็นแม่พูดอย่างนี้กับฉันได้ยังไงทําไมไม่เชื่อฟังฉันเนี่ยไอ้ความเป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็ทําให้ทุกข์ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นอะไรก็ตามก็เจไปด้วยความคาดหวังและความคาดหวังนี้มันก็เป็นกิเลสอย่างหนึงนะเพราะว่าไปเป็นคาดเป็นการคาดหวังเนี่ย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 มีเศรษฐีคนหนึ่งนะมีรถอร่มโบกินนี่มั้งราคายี่สิบกว่าล้านจอดไว้ในบ้านเดียวก็ไม่พอนะต้องทำบ้านติดแอร์ให้มันด้วยนะติดแอร์แล้วก็บุ ด, ด้วยกระจกทั้งสมด้านเพื่อให้มองได้ชัดๆจากข้างนอกว่ามันไม่มีหนูไม่มีอะไรมาม า, มากินสายไฟ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 มีแล้วก็ตามเนี่ยถ้ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็ทุกข์เพราะมันทั้งนั้นแหละแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีนะคนเรายัางไงก็ต้องมีนยะแม้กระทั่งพระอาหารหันต์นะพระพุทธเจ้าก็มีนะอย่างน้อยก็มีจีวรแล้วก็มีบริขารพระสิวลีนี่ก็ได้ชื่อว่ามีทรัพย์เยอะนะแต่ว่าถ้าเรานั่นเป็นข้อยกเว้นนะท่านไม่ทุกข์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 เมื่อวานนะร่างกายก็ไม่ใช่ของเรานะแต่ว่าเราดูแลได้นะสิ่งที่เรามีแม้ไม่ได้ยึดเป็นของเราจริงๆแต่ว่าเราก็ดูแลมันดูแลใจใส่มันแต่ถึงเวลาหมดไปนะก็ไม่ทุกข์นะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะแกก็เป็นส่วนก็เป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสูญเสียนะจาก เหตุการณ์น้ำท่วมในะปี54เหตุการณ์นั้นก็เราก็ทราบ ก, กันนะมีคนสูญเสียไปเยอะพัดทินา ค, คาที่อยู่ทรัพย์สมบัติก็เสียหายไปมากหลายคนก็เสียใจบางคนก็ถึงกับเสียจริตหรือบางคนก็ฆ่าตัวตายแต่ก็เพียงคนนี้แกก็ทีแล้วก็เสียใจนะแต่ตอนหลังก็นึกได้ว่าเออน้ําท่วมนี่ก็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 ให้เวลาเราเจอของหายนะหรือว่าสูญเสียของรักของห่วงเนี่ยนะลองเอามาเป็นเครื่องเตือนใจว่าเออเข้ามาสอรแล้วนะไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงมีอะไรก็ตามก็หมดถ้าได้คิดแบบนี้หรือว่าเกิดปัญญาแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เรามีสิ่งต่างๆได้ด้วยใจที่พร้อมกับความสูญเสีย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 มันเป็นสิ่งที่ เ, เกิดขึ้นได้คนที่เข wa, าเก่งกว่าสักวันหนึ่งเขาก็มา <c ười> เป็นแทนเราหรือคนที่หนุ่มกว่าสัากวันหนึ่งก็มาเป็นแทนเราคนที่สาวกว่าสัากวันนึงก็มาเป็นแทนเราลองที่เป็นก็เป็นให้มันดีให้มีความสุขนะเป็นโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นนะให้รู้ว่ามันเป็นแค่สมมุตินะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นแค่สมมุตินะ เป็นของชั่วคราวถ้าไม่ยึดว่าถ้าไม่มองว่าเป็นสมมุติทนะุกนะแต่ถ้ามองเป็นสมมุติเมื่อไหร่เนี่ยเราจะสบายใจเหมือนว่าไม่ต้องแบกอะไรเป็นอะไรก็เป็นให้ถูกนะโดยไม่สมมุติไม่ยึดมั่นถือมันหลวงพ่อโตเนี่นะพวกเรารู้จักดีนะ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 ท่านก็เอาตาลบัดพัดยศไปด้วยแล้วก็มีเด็กวัดเนี่ยพายเรือไปทางคลองมะกอกน้อยเนี่ยบอกว่ามันเป็นช่วงน้ําลงแล้วก็เป็นหน้าหน้าแล้งนะน้ําน้อยนะเรือก็เลยติดนะติดโครนติดลมเด็กวัดก็ลงมาเข็นเข็นเท่าไหร่ก็เข็นไม่ไปหลวงพ่อโตก็เลยลงมาเข็นด้วย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 แม้กระทั่งในเกียรติหรือว่าคําชื่นชมสรรเสริญมีสมเด็จพระสังฆราชอีกองหนึ่งนะเป็นองค์สุดเป็นสังฆราชเจ้าองค์สุดท้ายของกรุงรัตนโกศินป์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยา น, นวงศ์ท่านเป็นหม่อมราชวงศ์นะเดิมเกิดในวังแล้วก็เป็นเหลนของราชการที่สี่ เรียกว่าญาติของท่านนี่เป็นเจ้านะในหลวงตอนที่เสด็จผนวตนี่ก็ออกผนวตนี่ก็เป็นสัตธิวิหาริศของท่านนะหมายความว่าท่านเป็นอุปัชาโดยภาษาพระเจ้านี่เป็นอุปัชาของพระพระเจ้าอยู่หัวอันนี้ก็เมื่อหกสิบปีที่แล้วนะเรียว่ท่านใหญ่มากนะไม่ใช่สังกราธธรรมดานะเป็นสังกราชเจ้าและทรงกรมนะกรมมรหลวง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 ญาติโยมแถวนั้นไม่รู้จักนะก็เรียกท่านว่าหลวงพ่อหลวงตาท่านก็เอออกเขาด้วยนะท่านก็บอกว่าคุยกับคนที่นั่นสนุกสนานไปเลยนะชาวบ้านก็มีความสุขนะไม่รู้เนี่ยที่คุยเนี่ยสังฆราชนะนึกว่าเป็นหลวงตาธรรมดามีคราวหนึ่งนะมีคราวนึงหลายครั้งทีเดียวนะพระในวัดเนี่ยจะหาท่านไม่เจอ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 คนก็เห็นโดยพระสังฆราชนี่เดินเข้าวัดนะถือตอลบปัดมาเดินมาแต่ลำพังนะสอบถามด้วยความว่าท่านไปไปฉันเพลมีโยมมนิมนนะโยมก็ไม่ได้รวยเลยนะท่านไปฉันเพลในห้องแถวเล็กๆแถวแถวบางลำพูแถววัดสดุทัศน์นะโยมมนิมนนะสมัยก่อนสังฆราชนี่เข้าถึงง่าย ไม่ต้องผ่านเลขาอะไรนะชาวบ้านธรรมดาก็มานิมนต์สังฆราชนะให้ไปชั้นเพลงที่บ้านเ้าหน่อยนะบ้านก็เป็นเป็นห้องแถวธรรมดาท่านก็จดนะจดใส่กระดาษั้งจดใส่ใบชาไอ้กล่องใบช้าบ้างถึงเวลาท่านก็เสด็จไปไม่ได้บอกใครนะไปแต่ลูกศิษย์เนะี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นอ่ะเรียกว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับสโซนในสังกราชองค์นี้เป็นประจำนะก็คือท่านไม่ค่อยได้ถือยศถือตำแหน่งท่านไม่ได้คิดเป็นสังกรลย์ด้วยซ้ำก็เคิดเป็นพระธรรมดาโนะยมานิมนต์เทวังก็ไปนะก็เอาพัดเอาตละปั์ธรรมดาไปนั่นจะได้ว่าขนาดเป็นสังกัลย์เจ้านี่หรือว่าขนาดเป็นพระบรมุขสารุวงนะชั้นสูงเป็นอุปชาของในหลวงแต่ว่า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 แต่ว่าขายที่ยึดในตําแหน่งเนี่ยนะแม้แต่เป็นแค่พักครูนะลงมาเองก็อาจจะไม่ชอบนะเพราะว่ายึดมั่นว่าเนี่ยฉันเป็นนั่นเป็นนี่เคยมีเจ้าท่าจังหวัดนะวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งนะแถวพัยศารก็มาเยี่ยมวัดวัดหนึ่งนะเป็นวัดเล็กๆ ก, ก็ไม่ทราบมีเหตุใดมาเยี่ยมนะคงมีเรื่อง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 เป็นอะไรก็ทุกทั้งนั้นน่ะนะเคยมีฝรั่งเนี่ยถามหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาท่านเคยได้นิมนต์ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี2 0ฝรั่งคนนี้เขาก็สนใจทั้งเทราวาและก็มหายานเทราวาเนี่ยก็เห็นว่าอุดมคติของมนุษย์คือเป็นพระอรหันต์แต่ว่าทางมหายานเนี่ยเขาก็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 ตอนนี้นะถึงเวลาจะตายเนี่ยมันก็ไม่ยอมปล่อยนีมันก็ยังยึดเอาไว้ในสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นและนั่นก็ทําให้ทุกข์มากที่จริงการภาวนาเนี่ยของเราเนี่ยนะการเจริญสตินี่ก็เป็นการฝึกนะให้เราได้เรียนรู้การมีการเป็นอย่างถูกต้องคือเห็นว่ามีที่มีไม่เที่ยงเวลาเราเจริญสติดูกายดูใจมันก็จะเห็นนะสิ่ทีอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจมันไม่เที่ยงเลย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 ได้รู้จักปล่อยรู้จักวางนะตั้งแต่แรกแล้วอ้าวชาตินี้พูดกันเท่านี้นะครับ